ก็เลยมีชื่อว่าจำปัยกะเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพญานาคนั้นครองราชสมบัติอยู่ในนาคขัพิภพนั้นสเสวยอิสริยสมบัติเช่นเดียวกับโภคสมบัติของเทวราชแปลว่ายิ่งใหญ่เหมือนกับเทวดาเพราะไม่มีโอกาสบําเพ็ญบารมีหมายถึงว่าอยู่เป็นพญานาคเสวยความสุขอยู่แบบพญางูทั้งหลายเนี่ยนะ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 สุมาาอัครมเหสีเนี่ยไปที่ฝั่งสระโบกครณีที่เป็นมงคลบอกเครื่องหมายสามประการแกนางสุมนาว่านางผู้เจริญถ้าหากว่าใครทำร้ายให้เราลำบากน้ำในสระโบกครณีนี้จะเป็นน้ำขุนถ้าหากว่าครุฑจับน้ำนี่จะเดือดพล่านถ้าหากว่าหมองูจับน้ำจะมีสีแดงนะก็บอกเครื่องหมายสามประการว่าถ้าเราเป็นยังไงนะดูจากน้าจะรู้ หลังจากนั้นท่านก็ไปอธิษฐานอุโบสถในวันสิบสี่คาออกจากหน้าคพิภพไปนอนอยู่บนจอมปลวกอันนั้นยังจอมปลวกให้งดงามด้วยความงามของร่างกายพระโพธิสัตว์ร่างกายของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นชาติเนี่เป็นพยางูสีขาวสีขาวเหมือนพวงเงินยอดศีรษะเนี่ยดุดลูกครีทําด้วยผ้ากําพลแดงก็เรียกว่างูมีงอนอ่ะนะมีงอนข้างบนอ่ะส่วนชาติที่เป็น พระภูริทัตตาเออขอไปร่างกายของจำปะยะนาคราชเนี่ยร่างกายเท่ากับมีหัวเนี่ยเท่ากับงอนไถเนี่ยนะงอนไถก็แสดงว่าเท่าใหญ่ๆก็น้องๆกําปั้นนะนะถ้าเท่ากําปั้นนี่แหละหัวนะใหญ่เท่านั้นเออก็แสดงว่าก็คือเท่าเท่ากับต้นแขนนะนะตัวแสดงว่าตัวไม่ใหญ่เท่าไร่ชาติชาติที่เป็นจำปะยะเนี่ยพอมาเป็นงูเนี่ยก็ตัวเท่าต้นแขน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 หลังจากนั้นพระโพธิสัตว์นนะคือพรามอ่าพรามคนนี้หลังจากที่ไปเรียนมน์งูมาเรียบร้อยแล้วก็มาตามทางนั้นพอเห็นพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเรื่องอะไรที่เราจะกลับบ้านมือเปล่าก็เลยจับเอานาคเนี่ยไปแสดงในการเล่นหมู่บ้านนิคมราชธานีได้ซั์แล้วก็ค่อยปล่อยไปนะได้ัแล้วค่อยไปก็เลยหยิบทิพโอสถไรท่ทิพมน์เข้าไปหาหนาคราช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 เขาก็เอาเหล็กเล็บแหลมๆคมๆเนี่ยนะแหลมเนี่ยนะแหลมๆเนี่ยไปเผาไฟพอเผาไฟเสร็จเนี่ยก็จับให้ดีแล้วก็เอาจิ้มเข้าไปในรูจมูกเลยนะจิ้มแล้วก็ก็เรียกว่าค้ายป้องกันเชื้อโรคกันนะก็เอาเหล็กเหล็กเผาไฟร้อนๆเนี่ยจิ้มเข้าไปในจมูกพอมันหายแผลเขาก็ร้อยเชือกเข้าไปแล้วก็ร้อยเชือกทั้งวัวทั้งควายาก็ทําแบบนี้นะทำไมโรงเรื่องเขาทาแบบนี้ไหอันนะ ก็เลยเรียกว่าผูก เ, เรียกว่าสนสะพายไงนะสายสะพายแบบนี้ไม่เห็นโก้เลยนะันเองนะทีนี้นพระโพธิสัตว์ก็เป็นอย่างนี้แหละปวดหัวเป็นอย่างมากพระโพธิสัตว์นี้ยกศีรษะขึ้นออกจากระหว่างขนดมองดูเห็นว่าใครนาะพอเห็นว่าเป็นหมอ ง, งูก็คิดว่าพิษของเรานี่แรงกล้า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 พรามหมองูก็เคี้ยวโอสถร่มนพ่นน้ำลายลงบนร่างกายของพระโพธิสัตว์ด้วยอนุภาพของโอสถและมนก็เป็นเหมือนกับผู้พองผุดนะนะผู้พองเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้พองแล้วก็ผุด ข, ขึ้นในที่น้ำลายถูกต้องนะก็แสดงว่าเจ็บปวด ร, ร่ารรอนมากเหมือนอะไรนะเหมือนกับเทน้ามันราดน้ำมันเดือดเนี่ยนะลงไปเนี่ยนะหรือเหมือนกับโปรยน้ามันเดือดหวานลงไป ครั้งนั้นพรามหมองูก็จับที่หางแล้วก็ฉุดออกมาให้นอนยาวเหยียดเอาไม้ตีนแพ้เนี่ยนะไม้กีบแพ้เนี่ยกดเอาไว้ทําให้อ่อนกํำลังแล้วก็จับศีรษะให้มั่นให้พระโพธิสัตว์อ้าปากเสร็จแล้วหมองูก็พ่นน้าลายลงในปากของพระโพธิสัตว์ทำลายฟันด้วยกํำลังของมนและโอสถเนี่ยนะฟันก็ดุดออกมาเลือดก็ไหลเต็มปากแต่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 พระโพ ธ, ธิสัตว์ก็อดกลั้นทุกข์เห็นป่านนั้นพรเกรงว่าศีลของตนจะขาดจึงหลับตาไม่ทำแม้เพียงจะแลรดูหมองูนั้นคิดว่าเราเนี่ยทำหน้าขลาดให้หมดกำลังแล้วขยาทั่วร่างดดทำให้กระดูกตั้งแต่หางแหลกเหลวพันผ้าสำลีเอาได้มัดจับที่หางเอาผ้าทุบ เลือดก็เปื้อนทั่วร่างของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็อดกลั้นเวทนาแสนสาหัสเนี่ยนะเรียกว่าเจ็บปวดมากเลยนะเลือดก็เปื้อนไปทั่วร่างกายนะเพราะอะไรเพราะถูกขยำไปทั้งร่างกายนะบางชาตินี่ก็เดินเหยียบเหยียบเหยียบเหยียบเยียบขึ้นเหยียบลงมืนก็เหยียบเยียบอะไรนะเหยียบท่อนไม้อนะครั้งนั้นหมองูรู้ว่าพระโพธิสัตว์หมดกําลังก็เอาเถาวันเนี่ยมาทําตะกร้าจับพระโพธิสัตว์ใส่ลงไปในตะกร้า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 ก็เลยหาเกวียนและก็ยาโนยที่สบายบรรทุกบริขารลงในเกวียนตนเองนั่งบนยาโนยที่สบายก็เรียกว่าซื้อรถซื้อเกวียนอะนะถ้าสมัยนี้ก็ซื้อรถเก๋งคันหนึ่งรถบรรทุกอีกคันหนึ่งะนะขนข้าขนของไปเลยก็ให้พระโพธิสัตว์เล่นกีฬาในบ้านนิคมชนบท ร, ราชธานีด้วยบริวารใหญ่ครั้นให้เล่นในราชสำนักของพระเจ้าอุคเสนาในกรุงพารณาณสีแล้วก็จะปล่อยแล้วก็ได้เดินทางต่อไปต้องการไปให้พระเจ้าพารณาณสีดูก่อน พราหมณ์นั้นได้ฆ่ากบให้หนาคราชนาคราชไม่กินด้วยคิดว่าพราหมณ์นั้นจะฆ่ากบเพราะอาศัยเราบ่อยๆครั้งนั้นพราหม์ก็ให้น้ำผึ้งและข้าวตอกแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ไม่กินข้าวตอกและน้ำผึ้งเหล่านั้นคิดว่าหากเราถืออาหารเราก็ต้องตายในตะกระ้าถ้ากินแล้วตายเลยนะีย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 ท่านจงเล่นระบำงูให้เราดูพราหมณ์ก็รับพระดํารัสว่าขอเดชะข้าพระองค์จะให้เล่นระบำงูถวายในวัน15บห้า่ำอ่านะแสดงว่าวันนั้นเป็นวันสิบ่ค่ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแสดงให้ดูประราชาก็ตีกลองเปล่าประกาศว่าพรุ่งนี้นาคราชจะฟ้อนที่พระลานหลวงขอให้มหาชนมาประชุมดูเถิดแล้วก็ตีค้องเป่าร้องเปล่าประกาศให้ประชาชนมาดูระบำงูวันรุ่งขึ้นก็รับสั่งให้ตบแต่งพระลานหลวง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 ที่บอกว่าพระโพธิสัตว์ประพฤติ ธ, ธรรมก็คืออะไรประพฤติอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเพราะไม่ประพฤติแม้สิ่งที่เป็นอธรรมอธรรมแม้เล็กแม้น้อยท่านก็ไม่ทำเนี่ยนะท่านก็เป็นผู้ที่รักษาศรรีลรักษาศีล ถ, ถูกจับไปเขาให้แสดงอย่างไรก็ทําอย่างที่ใจหมองูปรารถนาไม่โกรธงูเพราะถ้าหากว่าทําความโกรธให้เกิดขึ้นแก่ ง, งูก็ต้องอให้ให้เกิด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 ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองหน้าเนี่ยนะมาเล่นระบาดไม่คนดูเนี่ยนะมันจะอายขนาดไหนเลยแล้วก็มเหสีมาดูด้วยเนี่ยแหมมุดม้วนก็ไปเลยนะอายมากพระราชาในขณะที่พระโพธิสัตว์เข้าไปในแต่กล้าก็เลยคิดว่าเอ๊มีเหตุอะไรนาะก็เลยดูข้างโน้นข้างนี้เห็นนางสุมายืนอยู่บนอากาศก็ถามว่านางเป็นใครนางสุมนาก็บอกว่านางเนี่ยเป็นนางนาคักรยา พระราชาก็เลยเข้าใจว่านาคราชเนี่ยนะเห็นนางนาคกัญญานี่คงอายเข้าไปในตะกร้าโดยไม่ต้องสงสัยพระราชาเนี่ยราให้พวกอะไรนะพวกสนมดูเนี่ยแหมมจะไปโก้ตรงไหนใช่ไหมอายจะตายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพญานาคเนี่ยหนีไปเนี่ยสงสัยเนี่ยอายแน่นอนฤทธานุภาพตามที่แสดงนี้เป็นของนาคราชเท่านั้นไม่ใช่ของหมองูก็เลยถามว่านาคราชนี้มีอนุภาพมากถึงขนาดนี้ ท่านตกไปอยู่ในมือของหมองูที่เป็นพรามได้อย่างไรทนาคราชก็เล่าให้ฟังว่าอ น, นะคือนางสุมนาเทวีนี่เล่าให้ฟังว่านาคราชนี้มีศีลประพฤติในกุศลกรรมบทสิบแล้วเข้าอยู่จําอุโบสถในวัน14บ่ค่ำสิบห้าค่ํามอบร่างกายของตัวให้เป็นทานนอนอยู่บนยอดจอมปลวกใกล้ทางหลวงบัดนี้พญานาคนี้ถูกหมองูจับในที่นั้น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 ท่นใดนั้นเองพระ อ, องค์ก็พระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้ยศให้ความอิสระอย่างใหญ่ล้วงแก่พราหมณ์เรียก ว, ว่าฆ่าไถายตัวพระโพธิสัตว์เนี่ยนะให้รางวัลเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็สั่งให้ปล่อยด้วยพระดํารัสว่าเอาเถิดท่านพราหมณ์ผู้เจริญขอท่านจงปล่อยหน้าขราชนี้เถิดพระโพธิสัตว์ยังเพศนาคให้หายไปกลายเพศเป็นมนุษย์ปรากฏดุลเทพกุมาร แม่นางสุมนาก็ลงจากอากาศยืนอยู่ใกล้พระโพธิสัตว์ถวายบังคมพระราชาทูลว่าข้าแต่มหาราชขอเชิญพระองค์เสด็จมาทอดพระเนตรที่อยู่ของข้าพระองค์เถิดคือพญานาคเนี่ยนะชวนชวนพระราชาไปเที่ยวเมืองนาคอย่างที่พระพุทธเจ้าเล่าว่าจมปยกะนาคราชคือในชาดกอะ น, นะว่าพ้นออกมาจากที่คุ้มขังแล้วทูลกับพระราชาว่าข้าแต่พระเจ้ากาสี ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค่าแต่ท่านผู้ยังแคว้นกาสีให้เจริญขอความนอบน้อมจงมีแด่พระองค่าพระองคขอถวายบังคมแด่พระองคขอพระองคพึงเห็นนิเวศของข่าพระองคพระราชาก็ทรงอนุญาตให้พญานาคกลับไปยังนาคพิภพพระโพธิสัตว์ก็พาพระราชาพร้อมด้วยพระราชบริพานไปยังนาคพิภพแสดงอิสริยสมบัติของตนอยู่ในขั้นนาคพิภพ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 อุคเสหะอุคเสนะอุคเสนะก็คือใครคือพระราชานะอุคเสนะราชาก็คือภาษารีบุตรจำปยากนานาคราชก็คือพระโลกนาฏเนี่ยนะคือในชาตินี้จริงๆแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยทำบุญไม่ว่าจะเป็นทานศีลการสอนทำเป็นต้นมากมายแต่เน้นพิเศษคือศีลว่าท่านอดทนยอมอ น, นะปรารควศีลเนี่ยนะท่านจะไม่ยอมโกรธกลัวศีลจะขาดเพราะว่าโดยใจหลักเนี่ยนะเน้นถือเอาศีลเป็น